คือเมื่อวานถามนะดูในเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรเป็นศีลนวิติกรรมเป็นศีลแล้วเนี่ยไอ้ข้อสุรามเมระยะเนี่ยมันไปส่อเคราะห์อยู่ในข้อไหนอยู่ในเจตนาศีลอยู่ในเจตนาศีนี่เลยข้อวิรัตคือเจตนาเว้นกับเจตนาปฏิบัติาการไม่ดื่มสุรานี่อยู่ในเจตนาประเภทวิรัตเนี่ยนะเจตนาเวนนะเพราะว่าถือเป็นของที่มีโทษ ก็ <c oughs> ในเทตนาศีลที่มันที่เป็นวาลิตศีลมัน ม, ม, นมีมันมีแค่กายกรรมสามโจีกรรมสี่ที่เว้นนะฮะแต่ไม่มีสุราเลยสุรานี้สงเคราะห์อยู่ในกาเมเน่ะ<อ>เป็นกลุ่มอามุ ต, ตามุตะนี่ะอก็ถูกก็คุณคุณทัรินีก็ก็กล่าวไาว้เมือ่อวานก็ถูกเมื่อวานคุณทัรินีบอกว่าสงเคราะห์อยู่ในนี้ไหมครับอยู่ในกลุ่มกาเ ม, มแต่มันู้ผิดไปนะคะบอกว่าโสดศีล มีข้อห้าไงแต่ว่าในกรรมบวชสิบกรรมบวชสนี่สงฆ์ข้อลงในการมเมนะสุราเนี้โดยกรรมบทชสิบอยู่ในการมเสงเคราะห์อพึ่งดูมาเนี่ยนะทำมิกระสุดพูดถึงโทษของการดื่มสุราเนี่ยนะทั้งในปิดปัจจุบันและสัมปรายภพปัจจุบันก็คือทําให้โงงเขาขณะที่ดื่มสุราเข้าไปเนี่ยนะขณะนั้นโงงเขา ชาติต่อไปก็คือมีส่วนแห่งความเป็นบ้าโทษปัจจุบันนี้คนดื่มสุราก็คือเขายกให้นะถ้าใครเมาเนี่ยใช่ไหมเขายกให้ว่าถือว่าคนไม่ปกติก็จะไม่คุยธุระอะไรด้วยกับคนกำลังเมานอันนี้ก็คือถือว่าเป็นความโง่เขลาของชาตินี้ละ <c oughs> แล้วก็ตกนรกพ้นนรกก็ถ้าเกิดเป็นมนุษย์นกําเนิดใดก็ชาติไหนเนี่ยนะ ก็มีส่วนแห่งความเป็นคนบ้าเ <c oughs> รียกว่าบ้าตั้งแต่เกิดเลยนะนะตู่ <c oughs> ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าทุกวันนี้อย่างประเทศไทยก็คนปัญญาอ่อนก็ไม่ใช่มีน้อยๆนะ <c oughs> ที่ที่เป็นกลุ่มเนี่ยมีมากนั่นแะกลุ่มที่ไม่ไม่เต็มทั้งหลายแหละนะ <c oughs> <ๆ c oughs><ๆ>ั่นแหละโรคเกณฑมันก็เหมือนโรคปวดหัวตัวร้อนปวดปันนี้นะครับเป็นโรคธรรมดา ถ้าเราไปคิดมากก็เป็นคนบ้าเยงี้มันจะเสียมันจะเป็นปมด้อยอผมว่คิดแบบมันก็เหมือนโรคปวดหัวปวดปันเย่างนี้โรคจิต <laughs> เราก็เป็นโรคชนิดหนึ่ง <c oughs> คือคนอื่นเขาเขาไม่ใช่เขาไม่ป่วยนี่นะเพียงแต่ว่าไอาความเป็นโรคในโลกนี่นะโรคทางจิตเนี่ยมันแล้วแต่สังคมไหนเขายอมรับเนี่ยนะสมมุติถ้าไปอยู่ในสังคมของทุกคนเมาหมดนะถ้าใครไม่เมาเนี่ยคนนั้นปิดปกตินะ เขาจะถือว่าไอ้นั่นมันป่วยหรือมันมีมันมีปัญหาเพราะมันไม่ดื่มเหล้าเนี่ยนะมันจะต้องเมาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะเพราะไอ้โรคทางความคิดเนี่ยนะมันแล้วแต่ว่าไปอยู่ในสังคมไหนไปอยู่บางสังคมเขาก็ยอมรับนะว่ากิเลสแบบนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไปอีกสังคมหนึ่งเขาบอกไม่ได้อันนี้มันเสียหายแล้วนะมันต้องแก้ไอ้นิสัยแบบนี้เหมือนกันเพราะไอ้ทางความคิดนี่มันมันแล้วแต่สังคมหรือว่าเขาเขาจะสมมติกันขึ้นมาว่ามันมีโทษหรือมันไม่มีโทษเนี่ยนะ ในในประเทศเยอรมันปรากฏว่าเขาไม่ค่อยกินน้ำเปล่าเนี่ยเขาดื่มเบียร์แทนน้ำกันไม่น่าจะแทบจะไม่น่าเชื่อนยว่ามันมันไอสูลาเมรยานี่มันจเจริญรุ่งเรื่องขนาดนั้นเขาสร้างค่านิยมไหมก็นักการเมืองคนหนึ่งนะที่ที่ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาไปสร้างสโลแกนไว้ที่สุรินเนี่ยนะ เพราะเขาเขาเป็นเจ้าพ่อน้ำเมาในเขตนั้นนะ่ะเขาก็สร้างไว้ว่าถ้าอยู่สุรินเนี่ยต้องกินสุราถ้าไม่กินสุราเนี่ยเป็นหมาสุรินเหนะือนกันคนนี้ก็ไปสร้างสโลแกนอันนี้ขึ้นพราะนนั้ทุกคนก็จะใช้สโลแกนอันนี้พูดแล้วก็จะได้ดื่มเหล้าอย่างอย่างมีความสุข น, นะทีนี้คนหนึ่งก็คนตุเรนอยู่เหมือนกันเขาก็พูดดีเขบอกว่าใครไม่กินสุราเป็นเทวดาสุริน ถ้ากินสุราก็ไม่ใช่เทวดานะก็เป็นอะไรก็ว่ากันไปก็เป็นเทวดาสุรินแต่ก็เป็นอย่างนั้นแต่ทุกวันไม่ค่อยใช่เทวดาเลยก็มีโทษมีโทษเราไม่กินแต่ซื้อให้คนอื่นกินมีโทษก็มีโทษอ่ะเ็รเขาปกติเราไปทำให้เข้าบ้านนะซื้อยาให้เข้าบ้า เราใช้ไซื้อ่ะเรากำซื้อเขาเขาเป็นพอแล้วไม่คุยต่อละเดี๋ยวมันจะไม่เข้าเรื่องที่จะว่าเลยก็โรคในโลกนี้มันก็มีอยู่สองอย่างนะโรคกายกับโรคโรคจิตน่นหละจริงๆถ้าโรคทางกายมันก็คือรูปประั์ที่มันเบียดเบียนขันด้วยกันใช่ไหย รูปประคันที่มันเบียดเบียนกันว่าโดยรวมๆอ่ะปัทวีเบียดเบียนอาโปเตโชและวาโยหรือว่าอาโปเนี่ยเบียดเบียนเตโชเบียดเบียนวาโยหรือเบียดเบียนปัทวีหรือโรคบางอย่างก็เป็นเตโชเนี่ยเบียดเบียนธาตุที่เหลือโรคบางอย่างก็วาโยนี่เบียดเบียนธาตุที่เหลือหนไหรือว่ามหาภูตรูปสองเบียดเบียนมหาภูตรูปสองหรือมหาภูตรูปสามเบียดเบียนมหาภูตารูปหนึ่ง แต่ว่าโดยรวมๆเหมืนะโรคทั้งหลายแหละก็คือมหาพูดนั่นแหละคือมหาพูดที่ที่มันเบียดเบียนกันเองเราก็มาเรียกกันว่าเออสิ่งเหล่าเนี้ยว่าโรคเนะนะพอแบ่งแบ่งมหาพูดโดยประการต่างๆทีนี้ในโ ล, โลกของรูปธรรมเนี่ยนะตัวที่เป็นหลักเป็นประธานใหญ่ก็คือมหาพูทธรูปสี่แต่ว่าส่วนโลกของนามธรรมเนี่ยนะ ไอ้ตัวโรคทางจิตเนี่ยมันมีทั้งสิบสี่ชนิดด้ยวยกันเฉพาะตัวที่มันเด่นๆนะสัมปยุต ธ, ธรรมทั้งหลายเนี่ย น, นะก็อีกสิบสาชนิดรวมเป็นยี่สิบเจ็ดชนิดโรคของทางจิตนะมีอยู่ยี่ชนิดอัญญสมนาเจตสิกสิาอกุศลเจตสิกสินี่ถือเป็นโรคหมดเลยอัญญสมนาเจตสิกที่เกิดร่วมกับอกุศลเจตสิกนะขณะนั้นถือว่าเป็นโรคหมดป่วยหมดเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ป่วยทางความคิดเนี่ยยกเว้นแต่พลาดอาหารเฉยแล้วเนี่ยหายากนะทีนี้ไอ้โรคเหล่านี้มันแล้วแต่สังคมไหนมันจะยอมรับว่าโรค อ, อกุศลเจตสิกอันไหนสังคมนี้ยอมรับอกุศลเจตสิกลุ่มนี้อีกสังคมหนึ่งยอมรับอกุศลเจตสิกล่มนี้อย่างไปอยู่บางแห่งนะโทรศัไม่เป็นไรนะถ้าทุกคนโทรศัหมดดีเนี่ยนะไปอยู่อีกสังคมหนึ่งนะถ้าเขากําลังโทรศัอีกคนหนึ่งไปหัวเราะตรงนั้นไม่เสียเลยเนี่ยนะเพราะมันหัวเราะผิดที่เนี่ยนะ เพราันเออมันแล้วแต่การยอมรับนะทีนี้ธรรมชาติของอกุศลทั้งหลายซึ่งมันเป็นโรคมันก็เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเนะนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายก็ถูกเบียดเบียนด้วยโรคทางกายแล้วก็โรคทางจิตแต่ทีนี้ถ้าถามว่าโรคทางกายกับโรคทางจิตอันไหนน่ากลัวกว่ากันนี่ยนะโรคกายกับโรคจิตนะเนี่ยนะโรคทางจิตเนี่ยน่ากลัวมากกว่าเยอะนะถ้ามีกรรมสกตา ถ้ามีความรู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมรู้เหตุรู้ผลดีรู้บุญรู้บาปดีจะรู้ว่าโรคทางความคิดน่ากลัวที่สุดเนี่ยนะน่ากลัวกว่าโรคทางกายเพราะว่าโรคทางกายส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นโรคทางจิตในอดีตเป็นปัจจัยให้อย่างกรรมมีผลเนี่ยนะอย่างกรรมอ่ะเป็นเป็นปัจจัยแก่วิบากตัวกรรมก็คือโรคทางจิตในอดีตนั่นแหละมาเป็นปัจจัยให้เกิดโรคทางทางร่างกายเนี่ยนะ มันโรคทางทางจิตนี้จึงเป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่มีจบมีสิน้นท่าพระธรรมคําสอนก็เป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อกําจัดโรคทางทางจิตเนี่ยนะท่านก็กล่าวถึงว่ายาระงับโรคในโลกนี้นะที่ที่เป็นยาแบบโลกโลกอะ่ะผมก็ตรัสว่ายาเหล่านั้นก็ระงับโรคได้บ้างระงับโรคไม่ได้บ้างแต่ว่ายา ในวินัยของพระอริยะเนี่ยระงรับโรคได้อย่างแท้จริงยานั้นคืออะไร <c oughs> อันน่ะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนะเป็นยารักษาโรคในในาศาสนานี้เนี่ยนะหรือถ้ารวมตัวยาทั้งหมดในแคปซูลเดียวก็มีสามสิบเจ็ดชนิดเนี่ยนะกินอยู่สี่ครั้งหายแต่ที่นี้เราบริโภควันนี้ มีได้รับศารอะไรไปบ้างแล้วในสาสิบเจ็ดชนิดเนี่ยนะคุณชูศรีรับประทานอะไรไปบ้างแล้วสามสิบเจ็ดชนิดเนี่ยสติประทานสี่สัมมปทานสี่อิทธิบาทสี่อินรี่ห้าพระละห้าโพชฌงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดอ๋อลืมทานนะ <c oughs> <c oughs> ลืมทานยาเลยนะทีนี้ถ้าเอาไอ้ตัวยาคือมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดอ่ะนะ ก็บอกว่าถ้ายาตัวนี้เวลาบริโภคแล้วอาการมันเป็นยังไงบอกว่ายาตัวนี้สัมมาทิฏฐิเนี่ยนะนี้ทุกนี้ความดับอนี้เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนะถ้าคิดถึงตัวยาก่อนอันนี้ก็คิดถึงยาแต่ถ้ามาพิจารณาตามนั้นก็เริ่มบริโภคยาเริ่มใช้ยานั่นะนะถ้าหากว่าไม่ใช้ยาอันนี้นะโรคมันจะลามไม่มีจบมีสิ้นนั่นะนะ คนก็คิดว่าน่าจะมันบริโภคยาตัวนี้นะยาคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นทีนี้ยาคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือการพิจารณาวัานนี้ทุกนี้ความเกิดแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนะั้นเราน่าจะเห็นนะโดยเฉพาะอุปาทานขันห้าซึ่งเรียกวันนี้ทุกเนี่ยนะการที่เข้าไปยอมรับ ว, ว่าอุปาทานขันห้าวันนี้ทุกขนั่นแหละเป็นการ ชิมยาสักหน่อยหนึ่งในวินัยของพระอริยะเนี่ยนะนี่คือการกินยานะก็ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นที่สางแห่งความเมาเป็นที่เพิกเพอนแห่งอะไรเนี่ยนะังั้นการเข้าไปพิจารณาว่าเห็นอุปาทานขันห้าโดยความเป็นเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นต้นหรือการเข้าไปรอบรู้อุปาทานขันห้านี่คือการกินยาในศาสนานี้อ่าหนังสือทางแพทย์เล่มหนึ่งก็บอกว่าโรคบางอย่างเนะี่ย ที่มันสะสมอยู่ในร่างกายเขาบอกมันเหมือนกับระเบิดเวลาเข้ามาเงี้ยเพราะว่าถ้ามันได้เวลาแล้วมันเจ็บปวดชนิดที่เรียกว่าทาที่อยู่ไม่ได้ปวดมากขนาดนั้นก็ <c oughs> เช่นโรคกลมนิ้วในน้ําดีมาเงี้นนะเขาบอกว่าถ้ามันอาการมันกําเริบแล้วมันปวดมากจริงหรือเปล่ามันหลือคุณนั่นแหละนะปวดมากไหม อขนาดท <c oughs> ี่รอผ่าตัดกระนเ้อแตกก่อนระก็ดีเมันก็เข้าไปอยู่ในช่องท้องนก็น้ำดีเนี่มันก็กลับกลับเข้าในช่องท้องนั้นจนโอ้หมอก็คงไม่ได้ยินอะนรเจ้านายอันไ่นปวดรวงด้วลายเ้านายนก็ระเบิดเซลาเลยนะแล้วตัวขัน5าถ้าพิจารณาให้ดีๆเนี่ยนะ ในในสูตรธรรมะเราเนี่ยก็บอกว่าคันตะโตจางเกสรคันตะโตใช่ไหเห็นขันห้าเป็นเหมือนกับหัวฝีคันดะเนี่ยนะฝีจริงๆอ่ะถ้าใช้แบบสำสับแบบเมื่อกี้ก็บอกว่าขันห้านั่นแหละคือระเบิดเวลาเนี่ยนะทุกคนนั้นในสรีระมันพร้อมที่จะระเบิดได้หมดเลยเนี่ยนะพร้อมที่จะสร้างความเสียหายให้ได้หมดเลยนะพร้อมที่จะมีปัญหาในทุกส่วนเนี่ยนะ ของมาก็ตอนนี้ก็มันระเบิดสักนิดนิดหน่อยนะลูกเล็กๆหน่ยนะเท่าๆกับปัดแก๊ปมันนะมันไม่ใช่ระเบิดจริงๆอะไรหรอกนะแก๊ประเบิดนิดหน่อยอนะมคนถ้าเห็นว่าเออถ้ามันระเบิดทุกคนทุกแห่งทั่วร่างกายแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นนั่นี่ยแล้วเราจะคิดธรรมะอะไรตอนนั้นถ้าป่วยอย่างนั้นน่จะตรึกธรรมะอะไรก็เป็นกระทู้เก่าๆที่เคยถามบ่อยๆนั่นแหละคิดว่าคงไปเจริญได้นะออกมาไปลองซ้อมๆบ้างละ นะ <c oughs> หมอเ็ยังพูดคำๆอยู่คำหนึ่งบอกว่าเออถ้าเป็นมะเร็งลำไส้มันก็อายุประมาณห้าปีอย่างเ อ, อมก็ดีเหมือนกันจะได้เจริญกรรมาฐานตั้ง5ปีอะคิดดูอะ <c oughs> <c oughs> ปัญหาถ้ารถอย่างขึ้นรถอุบัติเหตุโครมไม่ถึงหปีถ้าหน่อยเนี่ยนะคนไม่ค่อยกลัวกันเลยอันที่จริงแล้วเนี่ยอย่างระหว่างที่เวลาที่เหลืออยู่เราน่าจะหาอะไรที่มันเป็นสาระให้กับชีวิตอย่างอย่างแท้จริงเนี่ย โดยเฉพาะการพิจารณาธรรมะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ควรจะประมาทโดยเอาเหตุผลด้านอื่นๆมาแก้ตัวว่าเราไม่มีเวลาในการเจริญกุศลธรรมนนะเหตุผลด้านอื่นๆเนี่ยนะอย่างมากก็คนอื่นเขาก็ยอมรับว่าเออเราไปทําเรื่องนั้นๆเป็นเรื่องที่ดีคนอื่นเขายอมรับแต่ว่าการยอมรับนั้นก็คืออะไรยอมรับอะไรเป็นตัวยอมรับว่าเออคนนั้นดีนะเนี่ยนะ จิตใช่ไหมแล้วจิตแบบนั้นมันเกิดตลอดเวลาไหมมันก็เกิดไม่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นสาระนะอะไรที่มันเป็นประโยชน์แก่ตัวเองจริงๆอ่ะควรเสาะสแสวงหาสิ่งนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่ต้องไปยกเหตุผลให้คนอื่นจนจนเราไม่สามารถให้เวลาแก่ชีวิตตัวเองเลยนะซึ่งถ้าจะนับไปแล้วก็เหลือน้อยมากของมายังเหลือน้อยแล้วยมจะไม่น้อยได้ยังไงเนาะ รุ่นปูรุ่นญ่ารุ่นตารุ่นยายกันเกือบทั้งนั้นนลแล้วก็ให้มันพิจารณาขันห้าให้เห็นโทษของขันห้าเพราะขันห้ามันก็คือระเบิดเวลานะทุกอันมันพร้อมจะระเบิดได้หมดเลยตั้งกันนั่นแหละตั้งกับศีษะจนถึงเล็บนั่นแหละเนี่ยนะไล่ขึ้นไล่ลงเหอะมันระเบิดได้ทุกแห่งหมดถ้ามันระเบิดข้างๆก็เรียกอะไรฝีใช่ไหม นะระเบิดเล็ ก, เลกๆเขาเรียกว่าสิวถ้าระเบิดใหญ่ๆก็ผ่าตัดแล้วก็แล้วแต่จะเรียกมันนะ <c oughs> ทีนี้รูปเหล่านี้นี่มหาพูดเหล่าเนี้ยความสายของมหาพูดเรียกว่าเรียกอะไรประความสายนะเรียกว่าภาษาธาภาษาทาความสายของมหาพูดเรียกว่าภาษาทะอย่างความสายที่ในทั่วสารพางกายที่สามารถรับกระทบโพธภาภะได้นี่เรียกว่ากายปภาษาธานั่นไะง ทีนี้กรรมบางอย่างก็ตบแต่งนี่เรียกว่าจากักรูประสาธานะกรรมบางอย่างก็ตบแต่งเรียกว่าโสตขานะชิวหาปราษาธะเนี่ยนะในบรรดาภาษาธาเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งอะไรเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเนะเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาทั้งที่เป็นสุขเวทนาทั้งที่เป็นทุกขเวทนาและก็ทั้งที่เป็นอุเบกขาเวทนาไอเวทนาตัวนี้เนี่ยถ้าถ้า กล่าวถึงความหยาบนะมันหยาบรองลงมากว่ารูปเท่านั้นเองนะเป็นสิ่งที่เราถ้ามันเจ็บมันก็เจ็บจริงๆอ่ะนะมันเป็นนามอ่ะแต่ว่ามันปวดมันก็ปวดจริงๆนะซึ่งนามธรรมเหล่านี้โดยเฉพาะเวทนานะเวทนาแล้วก็ประกอบไปด้วยสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนามธรรมเหล่านี้ที่อาศัยรูปธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นคืออาศัยมหาภูตรูปเหล่านี้เกิดขึ้นนะน ถ้าย่นย่อมาชีวิตก็เหลือกับนามกับรูปสองอย่างใช่ไหมนามรูปเหล่านี้ถ้าแบ่งตามทวารต่างๆก็นามรูปทางทวารตาหูจมูกิ้นกายและทวารใจทีนี้นามรูปเหล่านี้ถ้าขยายเพิ่มก็จะเป็นขยายขึ้นขยายให้กว้างอ่ะนะขยายนามรูปให้กว้างขึ้นก็เรียกขันห้านะก็เป็นขันห้าทางทวารทวารตาหูจมูกลิ้นกาย ใ, ในมหาหทิปโทปมาสูตร กล่าวถึงการสงเคราะห์ขันห้าน ใ, นนในทวารหเนี่ยนะขันห้าในทวารหกพันขันห้าเนี่ยถ้ากล่าวสรุปง่ายๆว่าขันห้าคืออะไรบอกว่ า, วาเกิดการรับรู้ตรงไหนขันห้ามีอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะเช่นลืมตาเนี่ยเนี่ยคือโลกของขันห้านะที่เห็นเนี่ยการเห็นการรับภาพทั้งหมดเลยนี่เป็นโลกของขันห้าการได้ยินเนี่ยโลกของการได้ยินก็คือขันห้า การรู้กลิ่นก็คือขันห้าการรู้รสก็คือขันห้าการรู้กระทบโภธภะก็คือขันห้าการรับนึกคิดทวารใจะนะก็คือขันห้าอีกนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าวัตถุที่อาศัยเกิดของความคิดอันนั้นหรืออารมณ์บางอย่างของความคิดอันนั้นก็เป็นรูปประขันนั้นที่เหลือก็เป็นขันห้าทีนี้ขันห้าเหล่านี้เี่ยนะถ้าถอยหลังออกไปถอยหลังไปก็คือชีวิตก็มีแต่ ขันห้าใช่มันนะันขันห้าที่ตอนนี้ในทวารหถ้าถอยหลังออกไปเนี่ยนะการระลึกถอยหลังในขันห้าที่มีอยู่ในอดีตวิชาอันนี้ทางธรรมะเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติยานเนี่ยนะก็คือระลึกถึงขันห้าที่เคยมีอยู่ในอดีตเนี่ยนะทีนี้ไอ้ความรู้ว่าขันห้าที่จะมีต่อไปในอนาคตผู้ที่รอบรู้เรื่องนี้ดีจริงก็เรียกว่าอนาคตังสยานแต่ชื่อเขาอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าจุตูปปาตายานเนี่ยนะ ที่จะไปจุติและปฏิสนธิก็คือความเป็นไปของขันห้าที่จะมีไปในอนาคตแต่ในบรรดาขันห้าที่ที่เป็นอดีตแล้วค่อยไหลไปหาอนาคตในความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยนะเกี่ยวเนื่องกันไปสัมพันธ์กันแบบนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าสังสารวัตรเนี่ยนะนี่คือสังสารวัตในาศาสนานี้ก็คือชีวิตที่เป็นไปนั่นเองนะก็คือขันห้าก่อนขันห้าถ้าถอยถอยไปก็คือเรียกว่าอดีต ถ้าจักมีต่อไปในข้างหน้าขันท่าที่เป็นไปสืบเนื่องอย่างนี้เรียกว่าอนาคตมั้นก็คือขันท่าทั้งที่เป็นอดีตนะในอดีตก็คือขันท่าในอนาคตก็คือขันท่าปัจจุบันตอนนี้ก็คือขันท่าเพราะฉะนั้นขันท่าซึ่งจําแนกเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขันท่าทั้งหลายเหล่านี้ทั้งที่เป็นอดีตก็สิ้นไปแล้วในอดีตที่เป็นในอนาคตก็จกสิ้นใน อนาคตที่เป็นปัจจุบันนี้ก็กำลังสิ้นไปในปัจจุบันเนี่ยนะจะไม่มีความเหลืออะไรแต่ก็มีขันห้าที่เป็นไปทีนี้ไอ้ความเป็นไปของขันห้าเหล่านี้เนี่ยมันก็มีเหตุมีผลขันห้าบางอย่างเป็นเหตุขันห้าบางอย่างเป็นเป็นผลเนี่ยนะขันห้าก็เป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลที่สืบเนื่องกันไปเนี่ยนะดำรงอยู่ด้วยความเป็นเหตุเป็นผล ไอ้ความเป็นเหตุเป็นผลของขันท่าที่เป็นไปนั่นแหละภาษาธรรมะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทานะทำที่อาศัยการเกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยทีนี้ไอ้ความจริงอันนี้พระองค์บอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็ตามไม่เกิดก็ตามความจริงอันนี้ก็มีอยู่วันยังคำ่ำเนี่ย น, นะก็มีอยู่อย่างนั้นแหละขัน 5. ท่าทีนี้ถามว่าพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้รู้สิ่งนี้แล้วมีประโยชน์ยังไงเนี่ย น, นะเออมารู้ว่านี่ขันท่านะ ในอดีต ท, ทั้งหมดก็คือขันท่าอนาคตต่อไปก็คือขันท่าขันท่าเหล่านี้เป็นไปตามปัจจัยนะถามว่ารู้อย่างนี้แล้วเพื่อประโยชน์อะไรให้ออกความเห็นนะเ อ, อาขันธนัตออกความเห็นดีการที่รู้อย่างนี้ก็เป็นการขันแรกก็เป็นการ ย่นสังสารพัดให้สั้นลงจนกว่าจะมีความรู้ต่อย่างสมบูรณ์เป็นสมุจเฉดก็เป็นการทับสังสรารนพะัะก็เป็นคำสรสสนนะุปสั้นๆนะปุ๊กการปุาการคำถามว่าไงนะครับแ <laughs> ม่ <laughs> งวากำลังคิด <c oughs> ิึงสาว่าไปถ่ายเอกสารนะ ท่านถามว่าทำไงล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยวใจลอยแบบพุกการมั่งแล้วให้คนอื่นหมอญีปนก็ถามว่าไงเมื่อกี้ อ, อ, อันน้นธอมองพิจารณาว่าชีวิตอะคือขันห้าขันห้าถอยหลังไปในอดีตเนี่ยนะที่จกมีต่อไปในอนาคตก็คือ ขันห้าทีนี้ขันห้ามันก็เป็นไปตามเหตุตามผลเนี่ยเป็นไปตามปัจจัยนะซึ่งพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะเกิดในโลกก็ตามไม่มีก็ตามขันห้ามันก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยนะเป็นไปตามปัจจัยของมันอย่างนี้นี่แหละถามว่าการรู้อย่างเนี้ยเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อที่จะพิจารณาเห็นขันห้าโดยความเป็นโทษเพื่อที่จะให้เบื่อหน่ายในขันห้านะเพื่อจะให้เบื่อหน่ายในขันห้า คือความรู้อันนี้เนี่ยสําคัญมากนะว่าอย่างถ้ากล่าวโดยอุปนิสัยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นภาษาราบุดุภาษาราบุตรนี้ท่านท่านคิดอย่างนี้นะว่าอนะย้อนที่เรื่องภาษาราบดุนี้่นะภาษาฤาบดุเนี่ยปกติก็เป็นลูกของมหาเศรษฐีนะมหาเศรษฐีที่ไปไหนเนี่ยมีลูกน้องติดตามตัวนี่ห้าร้อยคนเนี่ยนะไอ้คนหนึ่งชายวอเนี่ยห้าร้อยคันเนี่ยติดตามตามขบวนนะ กับอีกคนหนึ่งเนี่ยใช้รถเนี่ยห้าร้อยคันเนี่ยตามขบวนหมดถือว่าเป็นคนรวยมหาเศรษฐีเลยกันเนมีทรัพย์เนี่ยนับไม่หวดัดไม่ไหวนะเก็บมาหลายชั่วบันพาพบรุษเนี่ยก็มีความสุขกับการเที่ยวทีนี้วันหนึ่งกัไปนั่งดูละครกันนั่งดูละครเนี่ยบนเขาขจะบนเมืองในเมืองราชครึกอะไรทีนี้ดูไปดูมาก็มาคิดว่าเออนะละครอันนี้คนแสดงนะมันก็ไม่ถึงร้อยปีมันก็ตายหมดแล้วเนี่ย คนดูทั้งหมดเนี่ยไม่ถึง1้อปีเดี๋ยวก็ตายหมดเนี่ยนะเอ๊ะทำไมมันจะพ้นกับความตายได้เนี่ยนะทำไมจะเลิกเกิดเลิกตายแบบนี้สักทีหนึ่งเนี่ยนะพราะนั้นเราควรแสวงหาธรรมะที่ไม่ตายเนี่ยนะที่ที่จะทำให้พ้นจากความตายเนะเสร็จแล้วก็ก็ชวนกันออกบวชนะนบวชนี่ความสามารถเนี่ยเรียนไตรเพศอยู่สองสมวันเรียนจบเลยเนี่ยนะสติปัญญาเนี่ยขนาดนั้น ไปเรียนไตรเพศสองสามวันเรียนจบเสร็จแล้วก็ก็จบก็มาไข ค, รครวนว่าไตรเพศเนี่ยนะเบื้องต้นท่ามกลางไม่เห็นที่สุดวิชานี้ไม่มีที่จบไม่รู้มันจบยังไงเนี่ยนะก็ไปถามอาจารย์จารย์ก็บอกไม่รู้พอไม่รู้อาจารย์เดี๋ยวผมจะไปสแสวงหาคนที่มีความรู้เหล่านี้ก็บอกว่าไปเถอะท่านเนี่ยท่องเที่ยวไปในชมพูทวีป ไปทุกหนทุกแห่งไปเที่ยวถามปัญหาไม่มีใครตอบได้ปัญหาโดยมากนะท่านเป็นคนไปเที่ยวแก้ปัญหาให้คนอื่นก็สรุปแล้วก็ไม่ได้ว่าเอ๊ะมันจะมันจะไม่เกิดได้ยังไงจะจะทำให้พ้นจากความเกิดได้ยังไงทีนี้พอวันหนึ่งเนี่ยนะท่านท่านไปเจอพระอัศชิใช่ไหมแล้วก็เริ่มใสยในอิริยาบถแต่ว่าสรุปก็ไปขอฟังธรรม ว่าพระพุทธเจ้าหรือาศาสดาของท่านเนี่ยท่านสอนว่าอะไรเนี่ยนะซึ่งฟังแล้วเนี่ยนะว่า เ, เขาบรรลุได้นะว่าเพราะท่านเขาคิดว่าทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดคำว่าทำเหล่าใดหมายถึงขันห้านะขันห้าที่เป็นไปในวัตะที่เป็นไปแบบเนี้ยมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุเกิดแห่งธรรมเหล่านั้น ความดับเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสัมมาณะมีปกติตรัสอย่างไรเพราะนั้นก็คือดับเหตุอันนั้นไอาการรู้ขันห้าพร้อมทั้งเหตุเนี่ยนะคือย้อนอีกครั้งหนึ่งการพิจารณาชีวิตคือขันห้าขันห้าที่เป็นไปในอดีตเนี่ยนะขันห้าที่จะมีในอนาคตขันห้าทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันที่เป็นไปเหล่านี้อาศัยปัจจัยเป็น เป็นตัวเกิดเนี่ยนะเป็นเหตุให้ขันท่าเหล่านี้เกิดขันท่าเหล่านี้ที่เกิดแล้วก็เป็นไปตามปัจจัยเนี่ยถ้าจะดับขันท่าต้องดับที่ที่เหตุเนี่ยนะดับที่เหตุทีนี้ถ้าจะดับที่เหตุเนี่ยดับได้ยังไงเนี่ยนะถ้าจะดับที่เหตุดับได้ยังไงก็ก็ตรงประเด็นที่ว่ารู้จักขันท่าแล้วเบื่อหน่ายคลายกำหนับในขันท่านั่นคือการดับเหตุแห่งขันท่าเนี่ยนะ ฟังแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันของเราเข้าใจไหมทบได้เกิดแต่เหย่อมมีเ <c oughs> นะทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าขันห้านี่มันเกิดจากเหตุนะนะพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญของเหตุที่มันทำให้เกิดขันห้าแล้วศาสนานี้ยคือสอนให้ดับเหตุแห่งขันห้าซะ นะถ้าจะกล่าวโดยตรงอันนี้คือคือหัวใจของาศาสน า, สาศาสนาคือตรายศิขาข้อปฏิบัติในหลักาศาสนาอันนี้คือกำจัดเหตุแห่งขันห้านนะถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็คือนี่คือหลักการกว้างๆของาศาสนาเราเป็นอย่างนั้น <c oughs> ทีนี้ไอตัวขันห้าแหละมันมีรายละเอียดที่สัตว์ทั้งหลายทิฐทิจะเกิดก็อาศัยขันหใช่ขันห้ามันเป็นที่ตั้งแห่งความเข้าใจผิด หมายความว่าหลักวิชาในโลกนี้ไม่รู้กี่พันชนิดเพื่อจะไปอธิบายขันห้าเอานะวิชาในโลกนี้ทั้งหมดเพื่ออธิบายขันห้าอย่างเดียวเนีย่ยนะแต่ว่าโดยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเนีย่ยนะเช่นวิชาทางแพทย์เขาก็อธิบายขันห้านั่นแหละแต่เพื่อวัตถุประสงค์แบบแบบทางแพทย์ไปวิชาทหารก็พูดขันห้านั่นแหละแต่แบบทหารไปวิชาสร้างที่อยู่ที่อาศัยก็เกี่ยวกับขันห้านั่นแหละ แต่ว่าวัตถุประสงค์ทีทแ่แตกต่างกันไปอย่างคําสอนของเราก็คือพูดขันท่าแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อจะกําจัดขันท่าใช่เพราะอะไรเพราะขันท่ามันคือระเบิดเวลาแต่บอกมันไม่ใช่นะมันแก้ได้อย่างเงี้ยถ้กถ้ า, ยถายอย่างนั้นก็แสดงว่ามาผิดโรงเรียนแะ น, น่น